เป็นยังเป็นนอนกันพอไหมมันได้เนาะรือว่าเหมือนบทีก็เหมือนเราเดินทางเนาะเดินทางก็ อ, อาจจะมีนอนน้อยบ้างนะหรือว่านอนอิ่มบ้างเนชะ่นเราไปตามประเทศหวือเราไปเที่ยวนะบางทีเราก็ไม่ได้นอนอะไรมากมายเนาะ กลางวันก็ใช้ชีวิตเดินทางดูนั่นดูนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นช่วงพิเศษนะตอนกลางวันที่เราออกมาจากบ้านนะมาอยู่มาอยู่รวมกันมาอยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็คิดซะว่าเหมือนมาอยู่วัดนะเอาตึกนี้แหละเหมือนเหมือนอยู่วัดน เหมือนวัดในต่างประเทศบางที่เห็นในเมืองใหญ่ติกกรโปรเหมือนที่อะไรตอนเด็กก็วัดก็ตึนตึกเห็นเขาว่าณยังไม่เคยไปเห็นหรอกก็อยู่กันพระก็อยู่ในปิน๊ตึกงเนือว่าอาคารไม่ค่อยมีวอร์รเว์ให้เดินหรือกว้างๆเหมือนกับวัดในเมืองไทยเราแต่ก็มันก็คือ ถ้าเราอาศัยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่เพื่อนเพื่อเลืถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าเป็นสถานที่เพื่อการภาวนาที่นั่นก็เป็นวัดจริงๆวัดจริงๆไม่ใช่ต้องมีโบสถ์ต้องมีสาลาต้องมีชอบฟ้าต้องมีรูปแบบแบบนั้นอันนั้นมันเป็น มันเป็นเปลือกนอกเนาะนะเปลือกนอกแต่วัดจริงๆก็คือที่ที่ให้เราได้อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นพระหกือเป็นภารว่านะถ้าเราถ้ารู้ว่าเออที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นแหละมันคือวัดนะในทางพุทธศาสนาบางทีอยู่ป่าก็นะาถือว่าเป็นวัดนะอยู่ใต้โคนไม้นะ นอนใต้คนไม้ถือว่าเป็นวัดแล้วทำให้เราทําใจของเรานะเหมือนเราอยู่วัดนะเรารักษาสิ่แฟนะเหมือนแบบญาติโยมบางคนนะในวันนี้นะถือว่าเป็นวันพรนะญาติยโยมหลายคนก็ไปที่วัดนะไปรักษาอุโบสถศีลหนะถือว่าลองดูวันนึงคืนหนึ่ง ไปอยู่อุโบสถศีนในทุกันพระ<ม>แต่ก่อนนมาก็เข้เช้าอย่านี้แหละนะต้องตื่นแต่เช้<ม>าพาพาปัญยาเยนะไปส่งวัดนะแล้วก็รีบกลับมานะตอนไปก็กลัวนะที่วัดบองทีเราเป็นเด็กเนาะมีต้นตาลต้นใหญ่หญึงซุ้นะแล้วก็มีเป็นความเชื่อะไม่รู้ใครบอกต่อไปมา เปย น, นะมันอยู่แบบต้นตาเลยนะแต่คีมมอจัดเตะคือส่งยายก็แล้วขาไปก็ยังพอว่ามียายไปด้วยนะขากลับคีมผ่านคนเดียวนะก็กปวอืมแต่ก็ไปบ่อยๆนะมันก็กวดแป๊บเดียวนะนะมันก็เห็นว่าเอการตื่นเช้าแม้บางทีมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเราทํำบ่อยๆมันก็ฝื้น หรือมันไปไปบ่อยมันก็ชินนะหรือความกลัวนะแม้บางทีเรากลัวแต่บางทีเราก็ทำไปบ่อยมันก็ความกลัวมันก็น้อยลงนะอันนี้แหละเราก็ต้องบางครั้งอะไรที่เรายังไม่คุ้นเคยหรือเรายังเรียกว่ายังยังกลัวมันอยู่นะเราก็ทํนะามันลองดูนะทามันลองดูเดี๋ยวมันก็จะชินของมันเองนะ คือธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติงใจเนี่ยมันพร้อมที่จะปรับตัวนะพร้อมที่จะปรับตัวให้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าบางคนอนอนยังบางคนนอนไม่ค่อยตับนอนไม่พออะไรฮะแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถ้าเราจิตเราไม่กังวลมันจะปรับตัวได้เลยแต่ถ้าจิตเรากังวลเนี่ยมันจะมันก็จะเหมือน คิดนะไม่มั่นใจนะหความไม่มั่นใจมีคำถามหรือว่ากลัวจะไว้หรือเปล่าอะนะนะมันก็แต่ถ้าเราวางไปเลยนะวางความกังวลใจไปเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของกายเขาปรับตัวนอเป็นตัวหนึ่งแล้วก็อาศัยอาศัยธรรมะมนเป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงในการปออบใจ นะตอนไหนที่เราคิดกังวลเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะให้เราปรับใจนะปรับมาจากความกังวล น, นะไม่ต้องไปคิดนะเพราะบางทีถ้าคิดยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนะยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวยิ่งคิดก็ยิ่งกังวล น, นะปล่อยให้เป็นเรื่องของร่างกายนะแล้วก็อาศัยธรรมะนี่แหละนะมาเป็นตัวช่วยปรับใจเลยนะปรับให้มาอยู่แับตะกี้ันให้ได้นะ ก็ลองดูว่าวันหนึ่งแล้ก็คืนนึ่งนี่แหลนะนที่เราจะได้ลองฝึกดูนะเหมือนกับที่เนี่ยที่ว่าญติโยมบางท่านเขาก็เหมือนออกมาอยู่วัดนะถือโอเบสตินนะี่ยในวันพระพวกเราก็เหมือนมาอยู่ถือโบสตินที่นี่นักในวันพระใหญ่เนะี่ยนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตเหมือนทดลองดูเหมือนกับเป็นนักบวช เิียงแค่หนึ่งวันน ะ, นะนะเป็นนักบวชอย่างตอนถ้าชาวบ้านก็ไปอยู่ที่วัด น, นะก็เหมือนญาติโยม น, นะลูกกรานก็เอาปิ่นโตเอาอาหารไปส่งก็ให้ปู่ย่าตายายให้พรนะคล้ายๆเหมือนกับเอาไปถวายพระนะก็ให้ปู่ย่าตายายให้พรเหมือนกันเหมือนจำลอง น, น, นะถ้าภาษาอีสานนะเขาจะเรียกว่าเป็นพ่อออกเป็นแม่ออกนะ ตอแรกมนะันก็สงสัยใช่ไหมเรี่ยกพ่อออกทําไมเรียกแม่ออกเนาอที่จริงก็คือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพ่อออกจากเรือนหรือว่าแม่ออกจากเรือนะออกจากเรือเนเพียงแค่ชั่วข่าวนะฝึกออกจากเรือนนะออกไปจากอที่บ้านมาถูงที่วัดหรือออกจากที่บุนวายมันอยู่ที่ที่สมองพวกเราเองก็ วันนี้ก็เหมือนแฟนนักเหมือนเป็นพ่อออกแม่ออกนะที่ออกมาอยู่ที่วัดนะอยู่ที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เราขอให้พวกเราได้ตั้งใจลองดูเหมือนใช้คิตแบบแบบนักบวชนะนักบวชคือผู้ที่ไม่กังวลเรื่องภาระทางโลกนะวางการงานไว้นะอาทิตย์ที่ผ่านมาทำงานอะไรก็วางไปเลย นะอาทิตย์ต่อไปจะต้องทํางานอะไรก็วางให้เลยนะเราวางนะภาระทางโรคไว้นะเราออกมาก่อดนะเรื่องครอบครัวก็วางไว้นะนะเราออกมาเพื่อสุกผลตนก่อนนะเหมือนกับกนะารออกมาแบบนี้ไม่ใช่การเรียกว่าจะไม่ดูดำดูดีกับทางโรคนะเหมือนเราต้องคิดว่าเหมือนพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าท่านรับรับธรรมญารักบุตรรัอพ่อรักแม่รักประชากรรกทุกทุกคนะนั่นแหละท่านรักแต่ท่านเห็นว่าท่านต้องออกมาก่อ น, นออกมาเพื่อสแสดงหาธรรมะออกมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ก่อ น, นถ้าเรายังทุกข์อยู่ เราจะรักคนอื่นก็รักสับห่วงแล้วก็ทุกข์ใจนะนะมันก็ช่วยกันไม่ได้นะท่านก็เลยเรียกว่าออกมาก่อนออกมาสแสดงหาทางพ้นทุกข์เมื่ อ, อสแสดงหาทางพ้นทุกข์ได้แล้วอันนั้นแหละกลับไปบอกเขานะกลับไปชวนเขานะกลับไปแนะนำเขาเขาก็ได้ทางนะออกจากความทุกข์ได้นี่ เรียกว่าเราออกมาไม่ใช่ออกมาแบบหนีนะไม่ดูดับหรือดีนะแต่เราออกมาเพื่อนะแสดงอาถารพ์ที่ถูกต้องนะเพื่อจะได้กลับไปช่วยคนนะที่เขายังทุกอยู่กลับไปช่วยคนที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะี่อันนี้เราออกมาตรงนี้นะเราไม่ได้หนีเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องข้างนอกนะแต่เราออกมาเพื่อหาหลักของเรานะดักคืออะไร หลักของใจนะหลักของใจที่นะจะอยู่อย่างไรอย่างไม่ทุกข์หรืออยู่อย่างไรยังมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราออกมาสแสดงหาก็ราว่าได้นนะมาสะแสวงหาหรือบางคนก็นะรู้อยู่แล้วว่าทางนี่แหละคือทางที่เป็นความสุขที่แท้จริง น, นะทาง กเป็นสติเนี่ยแหละเป็นทางที่ทำให้จิตใจใเราทุกน้อยลงนะหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สำคัญคือทำให้มันมากขึ้นนะทาให้มันมากขึ้นนะอาศัยช่วงเวลานี้ในการทำให้มันมากขึ้นนะสนนนนนะะติมันยังน้อยก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นนะฝึกสติมันยังไม่ต่อเนื่องก็ฝึกให้มันต่อเนื่องมากขึ้น อันนี้คือกุญแจสําคัญนะการที่เรามาฝึกสติเนะี่ยสติคือความที่เราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะเรียกว่าสตินะหรือว่าความรู้สึกตัวก็ได้นะั่นสหรับคนใหม่นะคือให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าจิตบางทีมันคิดนั่นคิดนี่นะบางทีก็ไปอดีตบางทีก็ไปอนาคตเนะีย บางทีตัวอยู่นี่นะแต่ใจเป็นไหนไม่รู้อันนี้คือเรียกว่ามันไม่อยู่กับปัจจุบันะเราจะทํำด้วยวิธีไหนให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนันนี่แหละคือเรียกว่าการฝึกสตินะจะด้วยอุบายรูปแบบใดนะมันก็เป็นอุบายนะยกมือส้านจังหวะัะนะก็เป็นอุบายนะให้การเคลื่อนไหวนะเรียกสติกลับมา การหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอุบายเพืนะ่อดึงเพื่อดึงสติ ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะเดินจมกลมก็เป็นอุบายเดินไปก็รู้สึกกับการเดินนะก็เป็นอุบายไม่จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรูปประคำคึงไปนคึงรูปประคำทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดจิตอยู่กับการคึงรูปประคำก็เป็นอุบายนะ ให้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะ b b ài, น, ะ p, người, ù, น, uste, นั้นทุกอย่างนะเป็นเครื่องมือเป็นอุบายนะที่ดึงจิตเรากับอยู่กับเนื้อกับตัวนะนั้นเราก็ทำนะทำนี่บ่อยๆนะแต่ถ้าทำเพียงแค่รูปแบบแต่ถ้าใจไม่อยู่นะอันนั้นก็เบื่อ <homogeneous S 2> ติดกลับมาบ่อย ๆ, ๆนะก็คือว่าเพิเห็นใจมันเผลอไปนะเผลอไปแล้วลืมไปเช <c ười> ่นย ก, ยกมือ สามสี่ห้าตยังไม่รู้ตัวถ้าที่หก้าที่เจ็ดค่อยรู้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ตอนนั้นก็ได้นะก็คือว่าอะไรที่มันหลงไปแล้วก็ช่างมาันนะรู้ตัวใหม่ในปัจจุบันไปเลยเนาะไม่ต้องไปคิดที่ทำไมถึงหลงทำไมถึงเราไม่ดีอะทำไมแยกแบบนี้ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะนะนะกลับมาเลยกลับมาเลยนะหรือถ้าช่วงไหนมันปุ้สซ่ามาก มันคล้ายๆตั้งหลักใหม่นั่งใหม่ให้มันเปิดชื่นขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเู้ว่าวางชัดๆมันเริ่มใหม่เลยเริ่มเริ่มท่าใหม่คล้ายๆบางช่วมันฟุ้งซานบางั่วมันง่วงตั้งหลักใหม่แล้วก็ค่อยเริ่มใหม่บางทีก็ต้องแบบนั้นนะอย่าไปบางทีหลงซอเยอะเลยก็ทำไปรู้นิดเดียว ก็ต้านหลักใหม่กนะดูกใหม่หรือบางช่วงมันเดินแต่มันเดินลรวพุ้งต้านมากก็ยืนปฏิบัติแบบนั่นแหละลองดูเพราะว่าบางทีมันไม่ขินนะบางทีกรรมฐานในแบบหลงเทียนทำไมเรายกมือแบบนี้เพราะว่าร่างกายเราไม่ขินเหมือนกันคล้ายๆ้าแบบนี้นะปกติเราก็ใช้มือใช้แขนใช้อะไรต่าง ในท่าที่มันเคยชินนะ่ะแต่ความเคยชินนั่นแหละทําให้เราหลงไปบ่อยใช่มัไห ม, มแป่วันกินข้าวอาบน้าําเดินไปนั่นไปที่มันชินทำเนะ่ยเหมือนจะมีสตินะเดินไม่หกล้มไม่เตะนั่นเตะนี่นะหั่นผักก็เหมือนกันนะไม่บาดนิ้วนะทําอะไรก็ทําได้นะไม่มีแผลไม่เกิดอุปัติเหตุ แต่ถามว่าใจมันอยู่ตรงนั้นไหมบางทีมันก็ไม่ได้อยู่เนาะทำเป็นเพียงแค่เหมือนกิริยาเป็นอัตโนมัติไปนะแต่เราอย่าให้ความเคยกินมันเป็นเพียงแค่อัตโนมัติในการทำแล้วก็ไม่มีแพ้ไม่ประสบปุติเหตุอะไรเราต้องฝึกให้จิตมันเป็นอัตโนมัติจิตเป็นอัตโนมัติคืออะไร จิตจลมาอยู่กับสิ่งทีรร่ทำนะให้ฝึก อ, อัตโนมัติด้วยนะนะที่เราต้องฝึกบ่อยๆนะแต่ก่อนจิตมันหลงไปแบบอัตโนมันติแต่ไปเราจะฝึกจิตให้มันรู้แบบเป็นอะัตโนมัตินั่นก็คือว่าฝึกให้มันรู้บ่อยๆนะฝึกให้มันรู้เบ่อยๆเมื่อรู้เบ่อยๆมันจะเป็นความเคยชินนะเมื่อหลงไปคิดจิตมันจะกลับมาประมันเองหรือเมื่อเคื่อนไหวพาดาย จิตมันจะรู้ของมันเองนะฮเรียกว่าฝึกตัวรู้เนี่ยให้มันเด่นขึ้นให้มันํำงานขึ้นนะมันจะเป็นอัตโนมัตินะมันจะเปลี่ยนจิตนะที่เคยหลงเป็นจิตที่มารู้สึกตัวนะเราฝึกอนะยเนี่ยฝึกเพื่อเปลี่ยนยนะเรียกว่าเปลี่ยนนิสัยนะเปลี่ยนนิสัยความเคยชินเหมือนบางคนวิ่งไปขี้เกียจนะ ก็ฝึกนะฝึกให้มาขยันขึ้นเหมือนเหมือนเด็กนักเรียนนะเด็กนักเรียนหรือเราสมัยก่อนใช่ไหมขี้กเกียจเรียนขี้กเกียจอ่านหนังสือนแต่บางทีเราก็ต้องสื่นตัวเองใช่ไหมให้มนันขยันนขยันเรียนขยันอ่านหนังสือเราจะได้สอบไป็ดีขึ้นสอบผ่านใช่ไหมถ้ายัางขี้เกียจเหมือนเดิมมันก็โอกาสสอบตกหรือว่าโอกาสสอบได้คะแนนไม่ดีก็มีแน่นอนนะ เลยไหมมันอย่างบาที่เราเอนท้าเนี่ยแต่ก่อนก็เรียนแบบมนผ่านพอใกลจะเอนท้าเริ่มไปมันก็นะต้องขยันต้องติวนอต้องท่องนะมันก็สอบผ่านได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราต้องเปลี่ยนทิศทางเคยคินเก่าๆที่มันไม่ดีนะเช่นความขี้เกียจนะหรือว่าความฟุ้งซ่านนะหรือว่าความเมือย้อยนะความขาดสตินะ ถ้าใครมีเรื่องพวกนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนกลับมานะฟุ้สซ่านก็รู้ปรับปรับมามีสตินะขี้เกียจ น, นะก็ทำนะไม่ใช่ขี้เกียจก็พักขยันค่อยทำนะขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํานะเราไม่ได้ทําตามเอนะความชอบความไม่ชอบนะไม่ใช่ทําตามอารมณ์นะ เด๋ยวเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบแนวสีน้ำกลิ่นนะทําตามอนะารมณ์นะตั้งทําเป็นหน้าที่นะทําเป็นหน้าที่ทําเป็นกิจวัตรนะแต่ก็ไม่ใช่ทื่อๆแบบทําหน้าที่เหมือนตั้งเวลาปฏิบนะัตินหรือว่าเดินให้เท่านั้นเท่านี้นั่งเท่า น, น, าานี้ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่แบบเหมือนเหมือนเราทํางานนะเอเอเอเช้าเป็นเย็นทําแบบแต่ไม่มีความสนุกไม่มีความสุขในการทนะําำ ทำแบบเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่ที่เราชอบทำํำนะเป็นหน้าที่ที่แบบเรามีความสุขที่ได้ติดผลตนนะเอาความสนุกเอาความสุขนะตอนนี้นเข้ไปด้วยนะนะทําก็หายแจ้งวะทําทแบบไห น, นเ อ, อืเหมัอนสบายมัอนเพลินมันมีความสุขนะแต่สุขในที่ไม่ใช่ว่าเราไปไปแบบจมกับความสุขนะนะเราทําด้วยความข่อนคลาย ทำด้วยความสบายเนี่ยมันจะทําได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเราแบบไปตั้งใจเินไปนมันจะอึดอัดนะสังเกตไหมบางทีแยากจะมาแต่ก่อนนะบางทีดูลมหายใจเราไปบังคับลมหายใจเข้ายาวออกยาวบางทีก็เนหนื่อยหรือบางครั้งต้องเดินช้าๆนะทำไมมันรู้สึกแบบเดินลำเตี้ เราก็เคยวิ่งนะเป็นนักวิ่งวิ่งมาลาทอนก็เคยออกกําลังกายก็เคยมันก็เหนื่อยแต่กายเด็ดใจทำใํำไมมีความสุขใช่ไหมบางทีนักกีฬาออกกําลังกายนะแข่งขันเนี่ยกายโคตรเหนื่อยเลยแต่ใจสนุกษนามีความสุขนะมันบางทีมันไม่ใช่ว่ากายนะมันทําให้ใจมันทุกข์เนาะแต่บางทีถ้าเราทำแล้วมันฝืนนะ ทำแล้วมันเรียกว่ามันไม่ค่อยสนุกนะมันก็มีความทุกขนะ์นะบางคนเดินช้าๆแล้วก็เหนื่อยก็เครียดนะแสดว่ามันทุกข์นะแต่วิธีปั่นจักราแบบเราก็ไม่ต้องเดินช้ามากนะเดินให้มันพอดีนะเดินให้เป็นธรรมชาติเดินให้มันไม่เกร็งนะหลักเกณฑ์เนาะเดินค่อนคายนะจับมือก็ได้ถ้าตอนไหนเนะ มันเครียดยมันไม่สบายก็เดินปล่อยธรรมดานะแล้วก็เดินก็ไม่ต้องก้มหน้าก้มตามากเกินไปนะบางครั้งก้มมากก็ปวดคอหรือว่าก็เข่งเครียดนะก็มองตรงๆไปก็ได้นะนะมองตรงๆนะแต่มองไปก็ไม่ต้องไปินใจเห็นกำแพงก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะไม่ต้องปุงแต่งอะไรนะเห็นอะไรก็ดูทันถ้ามันปรุงก็ ประตูฐานนะบางทีแม้ไม่มีอะไรเลยนะเวลาปฏิบัติธรรมบรรยากาศเหมือนเดิมนะแต่จิตเราเนี่ยโอ้มันหาเรื่องนะอืมมันหาเรื่องบางคนเนาะนะ่ะไม่รู้เป็นหรือเปล่านะบางทีเห็นควาแพง อ, อยากจะแนะนำํำนะ่ะคุณต้อยแนะนำคุณเองเอารูปนะั้นมาติดหรือเปล่านะจัดที่นะั่นแบบนั้นหรือเปล่าบางทีมันก็มีนะอืม อย่างบางทีบางคนเก็บอารมณ์นะก็อยู่ขุติเดิมๆอยู่มาหลายวันหลายเดือนหลายปีล้วเนะก็อยู่ได้นะแต่พอเก็บอารมณ์ทีเนี่ยเห็นอันนี้ก็ไม่เรียบร้อยเห็นอันนี้ก็อยากจัดนะอยากจะจับจอบจับเสียร ม, มาจัดทางเลยจงกลมใหม่นะอยากจะเอาวามสะอาดลอบลอบขุติที่พักอันนี้ บางทีพวกเราก็เหมือนการมีแมตุงทีปฏิบัติธรรมเดินจมกรมอยู่ที่บ้านนั่งยกมือสั่นจังหวะทําไปสักพักก็คิดแล้ว <c oughs> คิดว่ายังไม่รดน้ําต้นไม้ไนนะอะไรแบบนั้นเป็นรดน้ําต้นไม้ดีกว่านั่นะคิดว่ายังไม่ร้างจานก็องไปร้างจานดีกว่านั่นะบางทีมันจะมีงานบางอย่างที่มันข้างค้างหรือาบางอย่างเราก็เห็นเดินไปใกล้ๆเป็นตู้หนังสือเดินผ่านไป วางนังสือในชั้นไม่เรียบร้อยอยากไปจัดมันดีกว่านะคือที่จริงจิตมันอยากจะร่อเราไม่ออกไปจากธาตุจักรภพหรือในการปฏิบัติธรรมนะบางีเราก็ต้องฝึกนะบางอย่างมันไม่เรียบร้อยก็ใช่อยู่นะแต่ต้องวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนให้เรามีระเบียบว่าช่วงนี้เวลานี้เราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนะ <S 1> <S 1> อะไรไม่เรียบร้อยก็โอเคน ะ, <S <S นะเดี๋ยวค่อยไปทํา นาอาจจะมีกติกาเราเองอ่ะแต่ตอนเย็นก่อนไปอาบนะ้าอะอะไรไม่เรียบร้อยค่อยไปทําแต่ที่จริงนะพอเราตั้งใจแบบนี้นะพอถึงเวลาไม่อยากทำแล้วได้เปลี่ยนนิยามดนแล้วเนะี่ยไปอาบนะ้ำกินข้าวดื่มกาแฟเนะีมันจะเป็นแบบนั้นนะมันอยากจะทําตอนที่มันเบื่อเนะื่อันนี้ให้เรารู้ทันเนาะเวลาอะไรก็ แ, นะแล้วแต่เนะแต่เรา ปฏิบัติธรรมก็จริงบางก็มีงานในอีเมลมีอะไรยึดเปล่าจะคอยกังวลจะไปเช็คมันนะต้องจัดนั่นจัดนี้่ไหมนยกลัวจะดืมนะวางไปเลยนะวางไปเลยดืมก็ดืมนะถ้าอะไรที่มันลืมได้แต่ไม่สําคัญมากแบบนะถ้าอะไรที่มันจําเป็นเดี๋ยวกลับไปมึงก็จะลึกใจของมันเองเนาะให้เรารู้ทันนะถ้าจิต มันมีความกังวลเรื่องอะไรนะเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อมันอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะวางไม่สอนหรงอมีความสงสัยอะไรก็เหมือนกันนะอย่าเพิ่งิดเชื่อมันอย่าเพิ่งไปคิดหาคําตอบให้กับมันนะสงสัยอะไรก็อ่ะรูว่ามันสงสัยแต่ไม่ต้องพยายามคิดหาคําตอบอะไรนะตอบกันเองนะ หรือสงสัยเป็นอะไรอย่างอื่นภายนอกคิดอยากจะทามปรมาจารย์นะอย่ากจะอ่านหนังสือตั้งวางไปเลยนะมาทีความสงสัยเราก็ไม่ทันมันนะเราคิดว่าความสงสัยมันดีนอมันก็ดีนะถ้าเป็นความสงสัยที่มันจะนําไปสู่ความพ้นทุกข์นะแต่บางทีความสงสัยของเราค่อนขึ้นแค่ถนองความอยากรู้นะอยากรู้ว่าแบบนี้ต้องทำแบบไหนอยากรู้ว่านี่ มันคืออะไรนะอยากรู้แต่มันไม่ใช่รู้เพื่อทุ้งนะรู้เพื่อรู้เฉยๆนะรู้เหมือนเป็นความรู้อย่างที่เขาว่านะรู้ไว้แค่ว่าใดบาแตแบหงน้ำนะรู้ไปนะ่ะแต่บางทีรู้ไปก็ไม่ทุกเอไม่นคลทุกนะฮะตอนนั้นสมัยนี้นะความรู้มันทั่วหวัวเอาตัวไม่รอดคือปรงนี้แหละเรารู้หลายอยานะ่าง แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือไม่รู้ทันไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้ทันกายไม่รู้ทันใจของเรานั่นตอนเรามาฝึกให้รู้ทันรู้ทันตัวเองนะรู้ทันตัวเองเนี่ยคือรู้ทันอะไรรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่คือรู้ทันรู้ทันเราจะทำอะไรต็แ้วแต่ให้เรารู้ทันรู้ไปพร้อมๆกันนั่นแหละร่างกายเนี่ยไปรู้ไปพร้องกัน เดินก็รู้ไปนนั่งก็รู้ยกมือก็รู้กินข้าวก็รู้อันนี้คือรู้ไปพร้อมๆขณะที่ทํานำร่างกายเนี่ยรู้ไปขณะที่ทําเลยสี่อย่างบทไหนก็รู้ไปแต่รู้ด้วยความค่อนคลายนรู้ด้วยความเบิกบานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้ทันเวลาใจมันเผลออย่าไปดักดูมันก่อนนะ ให้มันเผลอไปก่อนมันค่อยดูนะค่อยเห็นนะเหมือนคล้ายๆเราดูในหนองน้ําในแม่น้ำเนาะปลามันกระโดดขึ้นมามันโขงขึ้นมาเราไม่เห็นมันอะไรแบบนี้นนะให้มันเกิดขึ้นมาก่อนอย่าไปดักดูมันนะักความคิดเราดูผ่านฐานตายที่เคลื่อนไหวนะผ่านกรรมฐานทั้นี้แหละนละุกปลามานไปเรื่อย มันจะคิดไม่คิดไม่เป็นไรเมื่อมันคิดก็ค่อยรู้มันนะมันมีความรู้สึกก็ค่อยรู้มันมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความคิดเราก็รู้กายของเราไปเรื่อยนะรู้กายมันนยไปเรื่อยอันนี้คือเรียกว่านะเป็นกรรมฐานเนาะให้เราได้นยทำนแบบนี้บ่อยๆมันจะสงสัยอ่ะวางไว้ก่อนมันจะคิดเรื่องดีอ่ะก็วางไว้ก่อน มันจะคิดเรื่องไม่ดีก็วางไว้ก่อนนะลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะเมื่อเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะเห็นเราจะรู้เองว่าอะไรมันควรทําอะไรไม่ควรทํามันจะรู้เองนะนะมันควรคิดไหมนะมันก็จะวางมันเองถ้าตอนไหนมันต้องคิดมันก็จะรู้เองนะมันควรสงสัยไหมนะมันก็จะรู้เองนะ บางอย่างพอต้องใส่ก็จะเป็นต้องต้อ ง, องรู้นะเช่นทำไปแล้ว ม, มันมันมึนมึนมันหนักหนักเออก็ต้องเก็ใจแล้วว่าปิดทางแล้วนะทำไปแล้วมันทำไมไม่ส บ, บายแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวเองนะนะหรือทำมานานแล้วทำไมยังวนว น, นอยู่เหมือนเดิม อ, อ่หรือว่าเราทำแต่นานแต่ในรูปแบบนะแต่ใจเราเผลอไปบ่อย ก็ตั้งใจกลับมาใหม่ไอ้พวนี้ปติมันจะบอกของมันเองนะนะแต่พ่อเ ข, เขียนว่าจะพูดเสมอนะว่าไม่มีคําถามนะปฏิบัติธรรมไม่มีคําถามมีแต่คําตอบนะมันตอบ ต, ตัวของมันเองนะปฏิที่เป็นคนคชั่งเลยเองนะนะอะไรที่เราเคยฟังอะไรที่เราเคยสงสัยอะไรที่เราไม่มั่นใจเนยะภาวนาเช่นนี้นะ มันเข้าใจเองนะบางทีไม่ต้องไปอ่านหนังสือก็ได้นะหนังสือพจัจจัยวิจกหนังสนะือนั่นเป็นือนี่ไม่เช่ว่าไม่ดีนะะแต่ไม่ถ่ายก็กกรู้ได้นะสมัยก่อนเนี่ยพจัจจัยวิจดกไม่มีนะจะมีพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองนะปัะจจัรวิจด็อกเนมันมีหลายพระเจ้าท่านประลิพนิพานนะเอะอพระอรหันต์ค่อยมารวบรวมกัน แต่ตอนรู้ว่าเจ้าท่านมีชีริตอยู่เนี่ยท่านก็แค่สอนธรรมะมเราจับประหลักให้ได้เราไปปฏิบัติต่อนเนี่ยก็ตเข้าใจธรรมะได้ไม่ต้องอ่านมากก็ได้นไม่ต้องฟังมากก็ได้นะสไหยก่อนซีดีเนียอะไรต่างๆก็ไม่เยอะขนาดนี้นะใช่ไหมสมัยก่อนมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเอี่หรือเป็นฟังธรรมกับพระสาวกเนีจับประหลักให้ได้นิดนึง ที่เหลือเอาไปทำเออพระเจ้าท่าสอนอย่อยๆนะให้ไม่ทำความชัว่วให้ทําความดีให้ทําจิตให้บริสุทธิ์เออย่อยๆแค่นั้นนะที่เหลือเราไปทําขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือเปล่านะเราเคยฟังเรื่องการรักษาสิมกันกไม่ทำความชัวม่วมาเยอะแต่บางทีเราก็ขิดสิมใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราไม่ตั้งใจมั่นเออ บางทีเราก็รู้ว่าอันนี่ดีแต่ก็ไม่ได้อยากทํานะใช่ไหมนี่คือแสดว่ากําลังจิตมันยังไม่พอรู้ว่าอันนี้เป็นกิเลสนะมันไม่ควรทําแต่ก็ยังมีเหตุผลก็อ้างไปอยากทำตามมันอันนี้แสดว่าปัญหาจริงๆของเราเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้หมายว่าเชื่อว่าพวกเราฟังธรรมมาเยอะอ่านหนังสือก็เยอะ หรือบาคนไม่ได้ตั้งใจในะสมัยเนี้ยเฟซบุ๊กในไลน์เนี่ยโอ้โหธรรมะมาครูบาาจารย์เยอะแยะมากมายนะทุกวันถ้าเราอ่านทุกวันก็เหมือนได้ทําได้ธรรมะทุกวันแต่ปัญหาที่สําคัญเราเห็นเป็นเกลือแต่เราไม่ได้เอามาทําจริงๆนะลองเอามาทําจริงๆลองดูข้อใดข้อหนึ่งนะถ้าทํามันสุดๆจริงๆเนี่ยได้ผลแน่นะ ตอนนี้เราก็ลองมาทำจริงจริงมอเนาะโดยเฉพาะเน้นเป็นเรื่องการทำอย่างมีสตินะลองดูทำอะไรต่างๆอย่างมีสติลองทำอย่างเดียวนี่แหละมันได้ผลเหมือนเมื่อวานพรอาจารย์ตุ้มท่านสอนกลุ่มที่ปฏิบัติใหม่บอกพระพุทเจ้าท่านบอกว่าสติเนี่ยเป็นมารดาของทำต่างๆคือ ถ้าเรามีสติอย่างเดียวเนะี่ยอย่างอื่นจะตามมานะเรามีสติเนะี่ยต่อไปนะความขยันมันก็จะมานะความอดทนอดกั้นมันก็จะมานะสมาธิก็มาดิงก็มาปัญญาก็มานะความวิมวดุดตบุกพลมันก็มาเนาะนะลองทำสติอย่างเดียวมันจะชวนนะ เป็นมารนาที่ชวนชวนทำอื่นๆนะที่จะเป็นทางที่ทำที่นําไปสู่ความนทุกข์ตามมาด้วยเนาะแตนะ่เราลองฝึกปฎิเนาะไปไเรื่อยเนาะเนะเราก็ตั้งใจเนาะนะตั้งใจอยู่ตรงนี้ก็มดพูดมดคุยนะเนาะมดใช้ความคิดนะแต่ไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ข่มนตะ่มันเดินคิดก็คิดแต่ไม่ไีคิดตามมันแต่เนาะ แล้วก็วาจาบางทีมันอยากจะพูดเนาะอยากจะทักทายคนนั้นคนนี้นะอยากจะอะไรก็ดูนะถ้ามันจำเป็นจริงๆอ่ะอันนี้ไม่รู้ถามเจ้าหน้าที่อะต่เพื่อจะเกี่ยวข้องให้มันถูกอะก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคุยด้วยความส น, น, านุกสน้นความเพลินเพินความคุ้นเคยกันบางทีก็ก็ต้องวางไว้นะโดยเฉพาะทั้งคนรู้จักกันนะโยป ย, ายามัมอยู่ไกลๆกัน มันจะปวดที่จะพักเอาซื้อปุยกันไม่ได้นคะรูบาอาจารย์เขาเคยบอกว่าถ้าบางคนมาวัดนะมาแบบรู้จักกันเนี่ยให้ทําตัวเหมือนไม่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะแต่ทําตัวเหมือนไม่รู้จักกันอยู่ใครอยู่มันอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ใครอยู่มันสลวงพ่อเทียนก็เคยเล่าเหมือนกันท่า น, นตอนที่ท่านไปนปฏิบัติธรรมที่ที่หนองคาย เขาคงมีคนในหมู่บ้านท่านไปด้วยนะักคนหนึ่งนะคนในหมู่บ้านท่านนะก็ชอมาแล้วก็แบบชอามาชวหนหลวงพเทียนคุยนะหลวพ่อเที ย, ย น, ะนยก็อยากจะปฏิบัติธรรมท่านก็เหมือนทําเป็นไม่สนใจก็แล้วไม่สนใจคนที่มาด้วยก็เหมือนคล้ายๆไม่พอใจหลวงพเทียนนะเหมือนทําไมมาชวนคุยชวนคู่แล้วก็ไม่สนใจนะเขาก็โกรธหลวงพ่อเทียนนะแต่หลวงพ่เทียงท่านรู้นะ รู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาพูดนะไม่ใช่มาตึงเส้นน้ำนะท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมไปอันะนี้อันนี้คือบทีก็ต้องจัดใส่ด้วยนะตั้งใจบางทีเราก็ชินกันเราก็คุ้นกันนะั่นแหละนะแต่เราก็ต้องรู้จักเออช่วงนี้ก็ต้องเน้นปฏิบัติของเราไปก่อนนะหรืออะไรที่ความเคยชินกเก่าๆเนะี่ยบางทีมันจะอยากคุ้นไปทำนะคุ้นไปทำ บํารุงพ่อคำเขียนทนะ่าก็เคยเล่านะตามปฏิบัติธรรมกําหุงพ่อเทียนใหม่ๆนะท่านก็คุ้นชินบริกรรมนะพุโทโธพุโทโธนั่งนิ่งๆพุโทโธสงบสบายดีนะให้นั่งยกมือบางทีมันก็ไม่สงบบางทีมันก็ไม่สบายนะท่านก็อยากจะไปสงบสบายกับพุโทโธอันนี้ก็ความเคยชินนะความเคยชินอยากจะมาอ่านะ หาความสงบนะบางทีเราก็ต้องออกจากความเคยคินเก่าๆนะเนี่ยเราก็ต้องสร้างความรู้สั้นความขยันเข้ามาแทนที่อนะอันนี้คือเราก็ต้องรู้ทานตัวเองนะถ้ามันมันคุ้นชินในทางที่จะทาให้เราเนิ่นช้าเนาะเราก็ต้องละมันแต่ถ้าบางอย่างที่เราดีอยู่แล้วเนาะเรามีความขยันเรามีความสำรวมล้วก็ พัฒนาไปเนาะอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ละมันเสียอันนี้แหละคือการทำความเพียรนะความเพียรชอบคืออะไรละอักุศลเจริญกุศลนะหรือสติชอบนะคือเราบึกกรู้ บ, บ่อยๆนะ่มน๋อยน้อยๆไม่กิ น, นเราพยายามฝึกสติให้มันเยอะๆนะ่ะทำความเพียร จะง่วงก็ชนะ่างก็สู้มันไปจะเบื่อก็ช่างก็สู้มันไปจะสนุกก็ช่างนะก็อย่าไปหลงคิดตามมันนะเอาแค่รู้นะรู้กายก็เป็นแบบไหนรู้ใจก็เป็นแบบไหนนะถึกสาเข้าไปทําตัวเหมือน <c oughs> เรียนรู้สิ่งอื่นหรือเรียนรู้คนอื่นนะแต่จริงก็คือเรียนรู้ตัวเราเนี่แหละนะแต่ดูเหมือนดูคนอื่นยู่ ถ้าเราดูเหมือนเราดูคนอื่นเนี่ยเราจิตมันจะไปใช้มันจะเป็นการรงดิแต่ถ้าเราแบบคิดว่าอันนี้คือเราอันนี้คือของของเราขาของเรานเนี่ยมันเจ็บปวดมากแล้วนะมันจะทรมานมากจิตของเรามันฟุ้งซ่านจิตของเรามันง่วงถ้าเรามองว่าเป็นเราเนี่ยไม่เป็นหนักอมองเป็นเพียงแค่อาการนะเพราะมันเป็นเพียงแค่อาการหรือมองไปเหมือนเป็นคนอื่น ลองสังเกตสังเกตมันดูเ่อเหมือนเป็นอาการแบบนี้อาการแบบนั้นสังเกตมันเป็นอาการนะเมื่อสังเกตเป็นอาการแล้วจิตมันจะเหมือนเออมันก็พออยู่ได้เนาะนะแต่เราก็อาศัยปรับเปลี่ยนช่วยบ้านะหายใจให้สบายนะทําใจกลางๆนะดูแบบดูแบบ เ, น, เน้นๆะดูแบบแอบดูนะ ไม่ได้อย่าไปดูแบบจริงๆังนะดูเหมือนแอบดูนะสังเกตเคยไหมเคยแอบดูคนอื่นไหมเคยสังเกตดูเขาไหมเราแค่แอบดูเขาเนี่ยล้วก็อมยิ้มนิดน้อยนะสนุกสนุกดูแบบเอดูเขาเป็นแบบไหนแล้วก็เห็นนั้วแหละดูแล้วแหละอมยิ้มได้นะเราดูร่างกายดูจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะดูเหมือนแอบดูเขา อ๋มยิ้มนะเดินไปอ๋มยิ้มไปมันจะฟุ๊งก็แนะสังเกตมันเห็นจิตมันโอ้เห็นจิตมันฟุ้งซาดนะจิตมันจะยิ้มขึ้นมานะยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะความรู้ตัวนะยิ้มเพราะความมีสติยิ้มเพราะว่าทําแล้วไอกิเลตนี้มันเกิดขึ้นมามันหลอกลวงไม่ได้แล้วเนี่ยมันสนุกนะถ้าทันแบบนี้ยมันจะสนุกนะมันไม่ใช่เรื่อง มันไม่คิดเรื่องหน้าเบื่อนะที่จริงถ้าภาวนาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องมีความสุขเรื่องที่เรียกว่าเพลินนะถ้าทําไปจริงๆทำํำจริงๆนะมันจะเพลินนะเพลินที่เราได้รู้ได้เห็นนะเห็นอะไรเห็นอุบายของกิเลสอ่เป็นคะล้ายเหมือนเราจับทางก็ได้ละนะเช่นเราเล่นกีฬาเนะี่ยเราเห็น ใสเห็นแผนของผู้แข่งแล้วเนะี่ะสบายสนุกอ่าเดือดใช่ไหมตอนเตรียมเตรียมข้อสอบอะาเตรียมเตรียมสอบเตรียมตัวสอบมาอย่างดีพอเห็นโจทย์ขึ้นมาแล้วยิ้มได้ละยังไม่ต้องเขียนคำ ต, ตอบนะอ๋ออันเนี้ยอ่านมาแล้วดูแล้วอ่ง่ายเอ่าทำไปด้วยความสนุกอ่แต่ถ้ามันยากหรือว่าเราไม่เคยเตรียมตัวมาอย่างดีเนะี่ย เ, เ็อข้อสอบนี่ก็หนักใจใช่อืมเรามองมันเหมือนเนี่ยดูมันอืถ้าเราเคยมีความตั้งใจกับฝึกบ่อยๆเนะีมันจะยิ้มมันจะทัน<อ>มาอีกแล้วนะักฟองโกรธมาแล้วก็กองฟุ้งคล้ามาอีกแล้วนะวักองนะ ค, คิดอ่าพอเราเห็นทางมันดูทันมันเนี่ยมันจะสบายละจะเบาเบมันจะเพลนเพลินนะเ น, นี่ยนันกฟองให้เราพยายามฝึกฝนนะ อะไรที่เรายังไม่รู้ถ้าเรามีสติมันก็จะรู้นะอะไรที่ดูแล้วนะถ้าเรามีสติมันก็จะรู้มากขึ้นรู้ชัดขึ้นอเนะนี่ยแหละอะไรที่เรายังละไม่ได้ถ้าเรามีสติมันก็จะละได้นะเราก็อะไรการกระทําตรงนี้เนาะ ก, ก็ทําไปแต่ถ้ามันติดขัดมันสังสายจริงๆนะผ่านไม่ได้จริงๆ ก, ก็เข้ามาถามกันเนาะ นะก็จะอยู่ปฏิบัติเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะก็ถ้ า, ถ, าถ้าสงใัจริงจริงก็ถามนะแต่ถ้าพอปฏิบัติได้ก็แยกกันปฏิบัตินะหาที่ออหาที่ที่เรารู้สึกว่าเออเดินหรือนั่งแล้วมันสบายดีกับตัวเองนะก็หาที่ปฏิบัติของเรานะก็อาศัยวันนี้นะทั้งวันนะในการปิดปวัจยาแล้วก็ทำความเพียร เผื ừ, t t b ình, b ình ่อจิตจะวัดต่างๆก็อาจจะเป็นเพียงแค่เราไปมารวมกัน